มีผลดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดังที่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสแสดงอนิสงค์ของบุญไว้หมายความว่าบุญประเภททานก็ดีบุญประเภทศีลก็ดีบุญประเภทภาวนาก็ดีพระองค์ได้แสดงอนิสงค์ไว้อนิสงค์นั้นพระพุทธเจ้าตรัสเน้นประโยชน์ที่มองเห็นก่อนแล้วจึงลงท้ายด้วยผลในภพหน้าว่าตายแล้วไปสวรรค์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 เวลาตายก็มีสติไม่หลงตายต่อจากนั้นห้าข้อสุดท้ายตายแล้วไปเกิดในสวรรค์อา น, นิสงส์ห้าข้อของความมีศีนี้เป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงอา น, นิสงส์แบบนี้พระก็อาจจะเอามาเทศหรือพูดขยายให้โยมฟังว่าทำบุญแล้วเกิดผลอะไรมีอา น, นิสงส์อย่างไร